ตัวจอกนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องชีวิตเหนือชีวิตโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่14กลกุมภาพันธ์2531ที่พุทธสถานปฐมประสคเขาเชิญท่านจิตาทังฟังได้นะบัดนี้ ท่านสาธุชนทั้งหลายน ะ, ะวันนี้ก็มีทั้งคณะอุสลินมาด้วยก็ยินดีต้อนรับนะมีทั้งคณะที่มาจากสำนักนาลันทามหาวิหารก็ยินดีต้อนรับด้วยนะอาการใฝ่ศึกษาใฝ่พยายามหาสิ่งที่ พุ่งมุ่งเข้าหาความจริงนั้นนะเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเป็นความจำเป็นเพราะว่ามนุษย์มันมีกิเลสมากขึ้นมอเมากันมากขึ้นประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์พยายามที่จะใช้กลวิธีนานาสารพัดที่จะทำให้คนเชื่อถือ ว่าสิ่งที่โลกของเขาทำขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่น่าได้น่ามีน่าเป็นไม่ว่าจะเป็นทางวัตถุไม่ว่าจะเป็นทางอารมณ์พยายามที่จะก่ออารมณ์ตามที่เขาเองเขาสมมติกันขึ้นซับซ้อนซ่อนเชิงให้หยาบกล้านให้นาแ น, แน่น่นนเข้าไปเป็นรสอร่อยของโลกีเป็นรสอร่อยของโลกโลกที่เขาพยายามกระทำ เสรแล้วก็ลหลงไหลติดยึดกันมากมายไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆนาน า, นาสารพัดหรือไม่ว่าจะเป็นวัตถุแท่งก้อนเป็นลาบเป็นยศชั้นสันเสริญล้วนแล้วจะทำให้คนลหลงไหลอยากได้แล้วก็สแสวงหาแย่งชิงกันได้มากเท่าใดเท่าใดก็ไม่มีวันพออ ได้มากมาแล้วก็เอามาอวดอ้างกันเอามาเบ่งขมกันผู้ใดมีมากถือว่าเป็นผู้เกง่งเป็นผู้ประสบผลสำเร็จเป็นผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยอดสารพัด ท, ที่เขาจะพยายามหาวิธีการมาเป่าประกาศยั่วย้อมมอมเมาให้คนหลงไหลได้ปลื้มไปกับสิ่งอย่างนั้น จนกระทั่งคนเชื่อเป็นค่านิยมอย่างนั้นเชื่อถือกันตามกันไปหมดส่วนใหญ่กันเป็นเช่นนั้นเข้าใจว่าเราได้รูปสวยๆนี่เป็นสิ่งวิเศษได้เสียงเพราะเพราะเพราะก็ไม่ตรงกันเท่าไหร่เราสวยก็ไม่ตรงกันสมมติกันไปสมมติว่าอย่างนี้สวยประเดี๋ยวว่าว่าอย่างนี้เปลี่ยนไปแล้วต่อไปสวยใหม่สมมติว่าอย่างนี้เพราะ ก็เดียวก็เปลี่ยนไปแล้วว่าเอาอย่างนี้เพราะใหม่อันนี้ไม่เพราะแล้วล่าสมัยแล้วต้องไปเพราะใหม่อย่างเพลงเนี่ยเพลงสมัยโบราณเดี๋ยวนี้ก็ว่าไม่เพราะแล้วต้องอยังสมัยใหม่มีจังหวะปลูกเรา้าหรือว่ามีลีลาอะไรต่างๆแปลกๆออกไปอย่างนี้จึงเรียกว่าเพราะถ้ายังเก่าๆนะั่นเรียกว่าเก่าเชยไม่ไม่เพราะแล้วอะไรนี้ก็แล้วแต่ก็ไปสมมุติกันขึ้นมาะจะเป็นรูป เป็นเสียงเป็นกลิ่นกลิ่นอย่างนี้นิยมกลิ่นอย่างนี้ไม่นิยมรสอร่อยอย่างนี้เรียกว่าอร่อยอย่างนี้พอใจอย่างนี้ไม่อร่อยแล้วต้องปรีรสอย่างนี้ก็ปรุงแต่งกันสมมุติกันขึ้นมาแล้วก็แย่งชิงกันเสพต่างคนต่างได้ตามที่เขาสมมติขึ้นมาก็ ล, ล้ไหไปตามเขาชี้เขาบอกแล้วเราก็แย่งกัน บางทีนี่มีวิธีการคนทั้งโลกในพวกทุนนิยมพวกบริโภคนิยมนี่พยายามหาวิธีการมามอมเมามาชี้ชวนให้หลงไหลว่าอย่างนี้นะน่าได้นะอย่างนี้อร่อยอย่างนี้วิเศษนะอย่างนี้ถ้าได้เสพเข้าแล้วก็โหเป็นชั้นหนึ่งเลยชีวิตชีวาเป็นความสุขสุดยอดแล้วก็พยายามหาวิธีการที่จะตั้งราคาแพงๆหลอกเอาไว้ ทำให้ค่านิยมนี่ขึ้นสูงๆจนคนมีความต้องการสูงขึ้นราคาแพงๆได้ก็ได้เปรียบได้เงินได้ทองที่เขาจะเป็นแรลกซื้อหามาเสพให้เป็นโลกียสุขก็เป็นวิธีการที่ทำกันอยู่ในโลกลักษณะอย่างนี้ก็ทำกันไปคนไม่รู้จักสัจจะความจริงว่าสิ่งเหล่านั้นที่ปลอกหลอ ก, กันแล้วก็หลงไหลว่าสุขๆพอได้เสพสมตามที่เราต้องการว่าเป็นความสุขนั่นนะ มันเป็นเรื่องหลอกเป็นเรื่องสุขลิกะภาษาพระเรียกว่าสุขลิกะเป็นเรื่องหลอกสุขหลอกๆอกนสุขอลิกะนี่แปลว่าความหลอกลวงเป็นสุขหลอกๆอกไม่ใช่ความจริงอ่ะความจริงไม่มีก ร, รถอร่อยเหล่านั้นไม่จริงอ่ะแต่เราไม่เชื่อเพราะว่าเราเกิดมาเราก็มาพกบกรดอร่อยพวกนี้แล้วอะไรเราเรียกว่าอร่อยแล้วก็อร่อยไปอยู่อย่างนั้นน่ะแต่มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะมันก็ไม่เที่ยงบางทีเราเปลี่ยนไปชอบอันอื่นไม่อร่อยอย่างอื่นได้ ไปชอบใจสมใจเป็นสุขด้วยสมใจอย่างอื่นไปได้ อ, อย่างเช่น อ, อย่างผู้หญิงเนี่ยตอนนี้กระโปรงเขานิยมแฟชั่นกระโปรงสั้นเราก็ว่าอู้ได้กระโปรงสั้นตามสมัยนิยมมานุ่งห่มเนี่ยมานุ่งมาใส่มันมันเป็นสุขพอเดี๋ยวเขาบอกว่ายนุ่นกระโปรงสั้นมันเชยเปลี่ยนไปแล้วสมัยมันต้องเป็นนุ่งกระโปรงยาวๆมือนถึงจะสวย ก็ไปเปลี่ยนไปไปตามเขามีความรู้สึกว่ามันเป็นสุขจริงๆนะเมื่อได้เป็นนุ่นกระโปรงยาวๆตามแฟชั่นเขาสมมุติตอนนี้เขาใส่ส้นสูงแล้วนะต้องสูงๆถึงจะสวยพอได้ใส่ส้นสูงก็สวยสบายใจอเป็นสุขพอเปลี่ยนไปเขาบอกโอ้ยส้นสูงไม่ไหวหรอกสูงๆอย่างนั้นมันเชยเขาเล่นตียแล้วเดี๋ยวเนี้เขาเล่นส้นตันๆแล้วไม่ใช้แหลมๆแล้วส้นตันๆ ก็ไม่เอาแล้วรู้สึกว่ามันไม่สุขแล้วได้ใส่ส้นสูงๆมันอายแล้วมันไม่ทันสมัยก็เปลี่ยนไปเอาส้นตันๆเตี๋ยวอะไรก็บเขานี่เป็นต้นก็เปลี่ยนไปมันเป็นความถูกหลอกอ่ะไอ้รถที่ว่ามันเป็นสุขที่ได้ใส่ส้นสูงใส่ส้นเตี้ยตามสมมติตามกาลานั้นอ่ะมันไม่ใช่ความจริงสักอย่างมันเป็นเรื่องหลงว่าเป็นความสุขแล้วเราก็ประทับใจเราเอง ตัว เ, เองหลอกตัวเองแล้วตัวเองก็รู้สึกว่าเป็นสุขจริงเองความสุขเช่ชนนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่มีจริงเป็นความหลงของคนเป็นอุปทานของคนยึดถือแล้วก็ได้เสพสมใจที่เราเองตามสมมุตินั้นและเราก็เป็นสุขรู้สึกเป็นสุขเองเป็นความเพอ้อเองเพราะฉะนั้นผู้ใดมาเรียนรู้อันนี้จริงแล้วก็ล ะ, ล, ะ, ล, ะ, ล, ะล้างกิเลสนี่ออกได้จริง จะพบความจริงได้ว่าสัตย์จะทำว่าความสุขนี้อย่างนี้นะั่นเป็นเรื่องหลอกคนนี่เป็นเรื่องนึกซึ้งมากแล้วไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆเป็นเรื่องโล ก, กุตระเป็นคนโลกใหม่เพราะคนเราเกิดมาอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่สัตว์มันยังรู้สึกชอบในบางอย่างชอบในสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมันก็สแสวงหาสิ่งที่มันชอบเป็นกิเลส ข, ของมันแล้วสัตว์คนตั้งแต่คนที่สอนยังไม่ได้ยังไม่มียานปัญญาพอจะเรียนรู้สัจธรรมชั้นสูงได้มันก็เสพอย่างนี้ เต็มไปหมดอยู่ในโลกนี้มีเยอะแยะไปเป็นเอเวนยัยสัตว์เป็นคนในประเภทที่สอนไม่ได้หรอกให้มาปฏิบัติธรรมสู่สัจธรรมที่จะเลิกล้าง ก, กิเลสอย่างนี้เนี่ยเลิกไม่ได้เยอะไปส่วนคนที่มีภูมิธรรมมีชั้นสูงที่จะสามารถเรียนรู้เรียกว่เาเวนยัยสัตว์เป็นสัตว์ที่สูงที่สามารถจะเรียนรู้กิเลสเหล่านี้แล้วก็มาฝึกล้างกิเลสเหล่านี้จน เป็นจริงเห็นความจริงหลุดพ้นจากสิ่งที่หลอกของโลกนี้ได้โดยไม่ต้องเป็นธาตุรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ต้องเป็นธาตุไม่ต้องไปเป็นสุขเพราะได้รูปสวยสมใจเพราะได้เสียงเพราะสมใจเพราะได้กลิน่นหอมสมใจได้ของอร่อยสมใจได้สัมผัสสิ่งที่ต้องการสมใจได้สิ่งที่สมใจแม้แต่ในสิ่งสมมุติไว้ในจิตเป็นภพของจิตก็ไม่ต้องไปอร่อยอร่อยอะไรในนั้นเสร็จเรียบร้อย เลิกล้างได้หลุดพ้นได้ไม่มีเรียกว่าสุญญาตาเรียกว่ากิเลสนั้นไม่มีและรสอร่อยอย่างนั้นก็ไม่มีอีกในใจเป็นความสงบไม่ใช่สงบเพราะนั่งหลับตาหยุดไม่รับรู้อะไรไม่คิดไม่นึกไม่ใช่แต่สงบเพราะไม่มีกิเลสเข้ามาวุ่นวายในจิตของเราอีกแล้วรู้อยู่ว่าใครเขาตกเป็นทาตกกิเลสนี้อยู่ เขายังหลงความสวยความงามเขาไมยอหลงสิ่งเพราะสิ่งที่เป็นแบบโลกโลกเขาเป็นกันอยู่นะแม้ที่สุดหลงในลาบหลงในสิ่งที่ได้มาแลกเปลี่ยนหรือว่าหลงในสิ่งที่เป็นวัตถุรัย์ ส, สริงคารได้มามากๆก็รู้สึกเป็นสุขรู้สึกฟูใจพอใจว่าโอ้เราได้มากๆร่ำร่ำรวยร ย, รยนี่อู้ดีแล้วก็มาเรียนรู้ว่าชีวิตของคนนี่นะถ้าจัดระบบแล้วไม่ต้องร่ารวยนี่เราอยู่สบาย ถ้าร่ารวยแล้วเนี่ยอยู่กันอย่างเหมือนแบกเหมือนหามเป็นภาระโดยเฉพาะในสัจธรรมของพระเจ้าสอนเอาไว้ใครที่ไปกอบโกยมาไว้ที่ตัวมากๆโดยรูปการเอาเปรียบเอาเปรียบเข้ามาให้ได้มากๆเป็นหนี้เป็นบาปแล้วเราก็ไม่ไม่ามา ม, ม า, ม า, มาศึกษ า, าวิธีการจะไปเอาเปรียบเราก็มาศึกษาวิธีการจะเสียสละวิธีการจะสร้างสรร์แล้วก็ให้ เ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานมันเป็นบุญเป็นบุญคุณแต่เราก็จะมาสอนซ้อนกันอีกว่าแม้เรามีคุณมีค่ามีประโยชน์มีบุญคุณกับใครก็ตามเราก็ไม่ไปติดไปยึดไปหลงไหลว่าเรามีบุญมีคุณกับใครแล้วก็ไปเที่ยวไ้ทวงบุญทวงคุณกับใครเราก็มามาสอนความจริงซ่อนลงไปในนั้นอีกว่า ความที่มีจิตมียานปัญญาชั้นสูงมีคนที่สูงจริงเป็นคนสูงจริงๆเนี่ยเป็นคนประเสริฐจริ ง, Bold, รงเนี่ยจะทําบุญทําคุณแก่ใครใก็ทําไปมันเป็นความจริงเหมือนกันแหละแต่เราก็ไม่ไปยึดติดว่านั่นเป็นบุญเป็นคุณที่เราจะต้องไปเที่ยวเด้เอาไปทวงบุญทวงคุณกับใครไปจำว่าเราทําบุญกับคนนี้แล้วววันหลังเขาไปตอบแทนบุญคุณเราก็ยึดถืออย่างง้น อ, อ, อ, อย่าง น, าง น, น, นี้เกิดการโกรธ ก, การเครืองอะไรนั่นกะ็เป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของการยึดถือแล้วก็จะเป็นเหตุแห่งทุกข์ เสร็จแล้วเราจะต้องทุกข์อีกในภายหลังแต่ถ้าเราไม่ยึดถือแล้วเราจะสร้างบุญสร้างคุณแก่ใครก็สร้างไปแล้วก็จบกันไม่ต้องไปจดไปจําด้วยเป็นบุญเป็นคุณมันก็เป็นไ ป, นปนตามกรรมตามความเป็นจริงเราสอนให้คนกระตัญยุกตวเวทีเท่านั้นถ้าได้รับบุญคุณจากใครเราต้องทดแทนบุญคุณนั่นเป็นคุณค่าอันประเสริฐของมนุษย์พระพูทธได้ทาพึงจําบุญคุณที่เขาทํากับตนแต่ไม่ต้องไปจําบุญคุณที่ตนทํากับเขา เราทำบุญคุณกับใครไม่ต้องไปจำแต่ใครทำบุญคุณกับเราแม่นิดแม่น้อยต้องจำไว้แล้วต้องทดแทนบุญคุนั้นทดแทนให้ได้นึ่งถึงครั้งถึงคราวต้องทดแทนบุญคุณถ้าอย่างนี้แล้วก็เป็นคนประเสริฐเป็นคนดีเราก็ศึกษาแล้วก็พยายามปฏิบัติให้จริงตามความรู้ความจริงเหล่านี้อย่างแท้จริงและจะเป็นสุขชีวิตไม่ต้องสะสม เมื่อชีวิตที่ไม่สะสมมีความเห็นต้องกันตรงกันทุกคนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์แข็งแรงมีสมรรถภาพมีความสามารถในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ควรสร้างเราก็สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาและเราก็มาเป็นคนที่รู้ความจริงว่าไอ้สิ่งที่เป็นหลงเป็นรูปลกดกลิ่นเสียงสัมผัสว่าเป็นกามเราเรียกว่ากา ม, มาคุณได้ยินดีในสิ่งที่สวยได้สิ่งสวยสมใจก็เป็นความสุขใจนนเป็นกามเสพกามได้สิ่งที่เพเราะสมใจ ก็อะไเป็นสุขใ น, นกเลประเสพกามมาสุขเหมือนกันนะอย่างที่อธิบายไปแต่ตน้นหรือได้กลิ่นหอมสมใจเป็นสุขในนี้เสพกามเทึงนั้นเราก็มาลดละกามพวกนี้อย่างที่อธิบายแล้วแต่ต้นว่ามันมันไม่มจริงหรอกมันเป็นความหลอกมันไม่ใช่สุขใช่ทุกข์อะไรหรอกแต่เราไปหลงกิเลสมีกิเลสติดยึดเอาไว้เมื่อเราล้างกิเลสออกจริงแล้วเราจะพบความจริงว่ามันไม่ได้สุขได้ทุกข์อะไรเราไม่ได้เสพ สิ่งอย่างนั้นไม่ได้รูปที่สวยตามที่เรากําหนดไม่ได้เสียงที่เพาะตามเรากําหนดมันก็ไม่มีปัญหาจะได้ก็เฉยเฉยจะไม่ได้ก็เฉยเฉยอะไรที่พอได้พอเป็นพอไปเราก็จะรู้ค่าของความจริงว่าที่จริงเราไม่ต้องไปได้รูปที่สวยอะไรเราก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างแข็งแรงสมบูรณ์ได้นะไม่ต้องไปบกไปพร่องอะไรเลยไม่ได้สิ่งที่เพราะมาใส่หูอะไรขนาดนี้เราก็อยู่กันได้สบายสบายแข็งแรงเต็มพอ ความมักน้อยก็เกิดขึ้นไม่ฉะนั้นเรายิ่งไปติดยึดไอรูปสวยไปติดยึดไอ้เสียงเพราะไปติดยึดไอ้กลิ่นหอมไปติดยึดไอ้สิ่งที่จะต้องมาสัมผัสอย่างโน้นอย่างนี้ตามที่เราหลงที่ในภาษาพระของทงอางพุทธเรานี่เรียกว่ากามตัณหาใน เ, าเรื่องผู้หญิงผู้ชายเท่านั้นในเรื่องผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเป็นพื้นฐานเบื้องตน้นต้องไปสมสู่กันอยู่ต้องไปอะไรต่ออะไรนั่นกับเบื้องตน้นซึ่งเราก็เรีย น, เ ร, ยนเรียนกันมาแล้วถ้าเราลดละได้มันก็สบาย สบายจริงๆไม่ใช่เป็นความจริงเลยว่าคนเราเกิดมาต้องไปสมสู่ต้องไปมีรถอร่อยจริงๆสมสู่ไม่ใช่รสอร่อยอะไรเป็นรถทุกข์สลิดซ้ําเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าบุ่นวายแต่เขาก็ไปหลอกกันจนกระทั่งกลายเป็นหลงว่ามันเป็นโลกียสุขแล้วก็ติดกันจนกระทั่งพูดกันไม่รู้เรื่องทุกวันนี้พูดกันก็ไม่รู้เรื่องยิ่งตะวันตกแล้วยังบอกโอ้เซ็กส์คือชีวิตชีวิตคือเซ็กส์โอ้ก็ยิ่งพูดกันไม่รู้เรื่องใหญ่เลย เพราะถ้าเผยว่าไม่มาศึกษาจริงๆมาพิสูจน์จริงๆแล้วเขาจะไม่เจอความจริงอันนี้เมื่อไม่เจอความจริงก็เขาก็จะต้องบำเรอตนอยู่ต้องให้สิ่งนั้นกับตนอยู่ตลอดไปแต่ผู้ที่ละได้เลิกกิเลนั้นได้ก็ไม่ต้องบำเรอตนไม่ต้องหาสิ่งนั้นมาให้แก่ตนชีวิตไม่ต้องไปมีเสียแรงงานไม่ต้องเสียคารรี่ไม่ต้องเสียความพยายามอะไรที่จะต้องไปบำเรอตนในเรื่องเหล่านี้เลย ก็อยู่สบายแล้วอากอมีแคลอรี่มีแรงงานที่เราจะมาสร้างสรงสรสิ่งอื่นเป็นประโยชน์คุณค่าแก่มนุษย์สโลกนะแก่ใครต่ใครแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้อย่างดียิ่งนะะหลักการเหล่านี้มีขั้นมีตอนมีเบื้องต้นทากลางบาปลายมีขนาดที่แต่ละบุคคลนี่มีบุญบรารมีบุญบรารมีที่ได้เป็นวิบากเป็นสิ่งที่ได้สั่งสมมาแต่เก่าแต่ก่อน เราสั่งสมมาบางคนมาปฏบิบัติบางอย่างมาเลิกมาละมาลดกิเลสนี่ได้ง่ายสิ่งที่คนอื่นก็ทํายากยากทำไม่ค่อยได้แต่ผู้ที่มีบุญบารมีมาเก่าเคยได้ทำมาเก่าศึกษามาก่อนปางไหนก็ได้เพราะศาสนาพุทธเรานี่มีวัตจักรสังสารวัตมีเวียนเกิดเวียนตายนานับชาติถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ศึกษาพุทธธรรมที่ได้สั่งสมบุญนั้นจริงก็ไม่สามารถที่จะละเลิกได้จริง ก็ต้องมาทําจริงไม่ว่าชาติใดถ้าได้มารับรู้มาศึกษาจริงแล้วต้องฝึกฝนเอาจริงๆเมื่อฝึกฝนจริงๆแล้วก็ได้เป็นของตนของตนเรียกว่ากรรมสโกมหิเรียกว่าเป็นของของตนเป็นมรดกของตนกรรมาทายาโทเป็นทายาทของกรรมของสิ่งที่เราได้ศึกษาบําเพ็ญ น, นั้นให้แก่ตนเองและมันก็จะเป็นสมบัติของตนสมบัติอันนี้เรียกว่าอริยทรัพย์ไม่เหมือนเงินทองเข้าของ ไม่เหมือนซับสริงคารเป็นเพชรเป็นเพชรนินจินดาอะไรไม่ใช่อ ย, อย่างงั้นตายเอาไปไม่ได้แต่อันนี้ตายแล้วอยู่กับตนเรียกว่าอริยรับเนี่ยเป็นซับของพระอริยะหรือเป็นซับอันประเสริฐรั์ประเสริฐอย่างนี้ตกหน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โจรปล้นไม่ได้โกงกันไม่ได้ขี่ตู่ขี่โกงกันเอาของกันและกันไม่ได้ใครทำดีอันนี้ใครทำบุญอันนี้เป็นบุญของผู้นั้น ใครทําชั่วอันนี้เป็นชั่วเขาพู้นี้ทําในที่แจ้งในที่เปิดเผยหรือทําในที่ลับตาไม่มีใครรู้ใครเห็นถ้ามันเป็นชั่วมันเป็นอกุศลมันก็เป็นของของตนตนต้องรับโยนทิ้งไม่ได้เอาไปล้างไปทําลายไปใครตะใครมารบล้างไม่ได้เป็นของของตนกรรมสกมหิมีกรรมเป็นของของตนมีการกระทํากระทําดีเป็นของของตนกระทาชั่วเป็นของของตนเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้ว่าดีคืออย่างไร ชั่วคือเรื่องอย่างไรชั่วแล้วไม่ทําให้ได้ให้ได้จริงๆหลักการใหญ่โอวาทปาติโมกของพระุทธเจ้าจึงมีหลักการว่าละชั่วกระทาดีให้ถึงพร้อมจนกิเลสเนี่ยทำจนกิเลสล้างกิเลสจนหมดสิน้นเมื่อกิเลสหมดสิ้นแล้วมันก็ไม่มีอํานาจอะไรมาผลักดันให้เราไปทําชั่วและเรามีแต่จะทําดีเมื่อกิเลสมันหมดแล้วมันก็จะทําดีเป็นประโยชน์แต่ผู้อื่นเพราะเมื่อรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์ มันเป็นชีวิตที่ก็อยู่ไปธรมธรมดาธรรมดามองไปเห็นแต่คุณค่าของสิ่งที่ดีก็รังสรรค์สิ่งที่ดีมันไม่เมื่อยก็รังสรรค์สิ่งที่ดีไปมันเมื่อยเมื่อไรก็พักอพอแค่พักผ่อนก็พักผ่อนพอแค่พักเลยก็พักไปจนกระทั่งหายเมื่อยเราสมควรจะทำงานใหม่ก็ทำงานใหม่อยู่ในโลกอย่างมีเรี่ยวแรง มีเมตตามีความเกือกเก้อกุลเกื้อกูลมีความขยนันหมั่นเพียรเอื้อเฟือ้อเอื้อเฟือ้อก็ช่วยเหลือเฟืองฟายมนุษย์โลกอยู่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ไม่มีกิเลสเป็นเจ้าเรือนไม่มีกิเลสเป็นตัวบงคับเป็นตัวบงการในชีวิตแล้วผู้นั้นก็จะเป็นตัวเองจิตวิญญาณเป็นตัวเองจิตวิญญาณเป็นตัวรู้ที่สื่อสัตว์สุจริตไม่ลาเอียงเข้าข้างใครโดยเฉพาะไม่ลำเอียงเข้าข้างตัวเอง ไม่ลำเอียงเขาข้างตัวเองไม่ลำเอียงเขาข้างใครเป็นจิตที่ซื่อสัตย์ตัดสินอย่างบริสุทธิ์เป็นตัวผู้พิพากษาผู้ตัดสินชั่วและดีได้อย่างซื่อสัตย์แล้วก็เลือกทําแต่ดีชั่วไม่ทําเพราะกิเลสตัวเหตุร้ายนั้นหมดจริงๆเพริงศาสนาพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาที่พิสูจน์ได้เห็นจริงเลยชาติไหนก็แล้วแต่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะบรรลุสูงสุดเป็นพระอรหันต์ในชาติเดียวก็ได้ แต่สามารถบรรลุเป็นพระอรหันชาตินี้ก็ได้คนที่มีบุญบา ร, รมีจริงพระผู้ใดาสามารถภาคเพียรทําบุญนั้นสร้างบุญนั้นให้แก่ตนแก่ตนได้จริงผู้นั้นก็มีของจริงชาตินี้บําเพ็ญมามากก็สามารถบรรลุบรรลุปฏนะิบัติต่ออีกหน่อยอีกหน่อยก็จะเรียนจบนะจบขั้นพระอาหารหันต์ก็จบได้แต่ผู้ใด ย, ยังไม่ถึงก็ต้องทําต่อไปชาตินี้อาจจะยังไม่ได้ก็ต่อไปชาติต่อๆไปอีกเรียนต่อได้ สามารถที่จะตอบภพตอบภูมิไปจนกระทั่งถึงที่สุดได้ถึงที่สุดแล้วก็มีแต่ประโยชน์คุณค่าต่อมนุษยชาติแล้วก็สืบทอดสร้างสรรค์ให้ผู้ที่เป็นศาสนาเด็กกันหรือเป็นผู้ที่มีความเห็นความรู้ผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสในสิ่งเดียวกันก็มาศึกษ า, ส, ก ส, าสืบทอดเอาความจริงนี้ไว้แล้วก็ต่อทอดความจริงนี้ไปอีกนานับกับการ จะนานเท่าใดก็นานเท่าใดและศาสนาพุทธก็ไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นว่าศาสนาพุทธนี้จะต้องอยู่คลองนิรันต์ศาสนาพุทธนี้รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าแม้สิ่งที่ดีมันก็มีโอกาสเสื่อมเมื่อคนมันชั่วมันมอมเมากันจนกระทั่งกลายเป็นผีเป็นกะลียุคเป็นมนุษย์ที่เลวร้ายศาสนาพุทธก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันมันเลวร้ายกันจนมากจนมามันก็ไม่สามารถต่อสู้ได้มันก็ล้มล้างกันไปถึงครั้งถึงคราวล้างโลกก็ต้องล้างกันไป เมื่อล้างโลกกันจบไปจนมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็นอะไรขึ้นมาใหม่ใหม่ๆ ม, มันก็ยังไม่มีกิเลสอะไรกันมากนักมันก็ว่ากันไปจนมันมีความเลวร้ายขึ้นมาอีกใหม่พระพุทธเจ้าก็ต้องลงมาช่วยใหม่ซึ่งพระพุทธเจ้านี่ก็มีการบำเพ็ญต่อทำศาสนาพุทธนะผู้บำเพ็ญศาสนาบำเพ็ญพุทธธรรมแล้วเสร็จสืบสารบำเพ็ญทำไปเป็นพระโพธิสัตว์ต่อ แม้จะจะเรียนจบแล้วจะบรรลุแล้วในระดับที่จะศูนย์ไปเลยไม่ต้องเกิดอีกไม่ต้องเกิดมาทุกข์อีกได้สามารถที่จะนิพพานปรินิพพานคือไม่เวียนมาตายมาเกิดอีกแล้วศูนย์ได้แต่ผูดด้ใดจะไม่ศูนย์จะมาบำเพ็ญไปเป็นขึ้นขั้นเป็นพระพุทธเจ้าอีกคือมีภูมิธรรมสูงมากพระพุทธเจ้านี่กว่าจะมาตั้งศาสนาก็สามารถบำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์ต่อไปอีกได้แล้วก็จะค่อยๆหมุนเวียน มาช่วยโลกมาช่วยมนุษยชาติตามหน้าที่ตามกาลเวลาที่สมควรจะก ร, รนะทํานเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลในะเรื่องพระโพ ธ, ธิสัตว์หรือว่าเรื่องพุทธภูมิเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทั้งแม้แต่ในเมืองไทยเราเนี่ยเทราวาวหินียานก็ไม่ได้เรียนกันเท่าไหร่อ่าพยายามมุ่งจะจะเป็นพระอรหันท่านั้นอ่าเป็นจุดแรกส่วนทางด้านมหายานนั้นจะมุ่งไปต่อจากพระอรหันต์แล้วไปเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์ไปเป็นพระพุทธเจ้านั้นเขาก็มีกันอย่างแท้จริง ไม่กระทําตนให้มันเป็นไปถึงขั้นถึงขีดจริงอยู่ดีๆจะฟลุกเกิดขึ้นมาเป็นพุทธเจ้าเองนั้นไม่มีมีไม่ได้เพราะศาสนาพุทธนั้นทุกอย่างมาแต่เหตุทุกอย่างเกิดมาต้องมีเหตุมีมีเหตุจึงจะเกิดผลอยู่ดีๆจะเกิดผลมาโดยไม่มีเหตุนั้นไม่ได้ศาสนาพุทธไม่สอนศาสนาพุทธนั้นพระพุทธเจ้าทรัสรู้สิ่งใดสิ่งใดก็แล้วแต่เกิดมาแต่เหตุถ้าเหตุ ด, ดีมันก็เป็นผลดี เหตุชั่วมันก็เป็นผลชั่วเหตุไม่ดีไม่ชั่ว ก, กลางๆมันก็เป็น ก, นกลางๆนะเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นนะนี่เป็นหลักการของศาสนาพุทธ ก, กลางๆนะเพราะงั้นเมื่อเราเองเราเรียนเราก็มาดูที่ตัวของเรามาดูที่ตัวของเราว่าตัวเราเองนี่มีอะไรที่ดีที่ชั่วตามภูมิปัญญาของเราแหละเรามีภูมิปัญญาเลือกเฟ้นตัดสินตัวเราว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีเรารู้แล้วเราเลิก ตั้งใจเลยตั้งกรรมฐานหรือตั้งใจว่าเราจะต้องเลิกสิ่งนี้ให้ได้เลิกง่ายๆก็คือหยุดมันเลยไม่ทําไม่รับมาไม่เอาง่ายๆเช่นว่าเราเองเราว่าเราสูบบุหรี่มันเป็นเรื่องไม่ดีแล้วก็เลิกไม่สูบไม่เอาไม่รับมาหรือว่าเราไปหลงอย่างโล ก, โลกเขาเนี่ย นะพอเราไปติดอะไรกันมาอย่างอเมาว่าเรื่องผู้หญิงเนี่ยเรื่องเครื่องแต่งตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องอบายมุขเป็นเรื่องเป็นเรื่องหยาบมากทุกวันนี้เนี่ยหลงไหลในเครื่องแต่งตัวโดยเฉพาะผู้หญิงนี่หลงเพราะผู้หญิงเป็น เ, เป็นสัตว์ตัวเมียนะผู้หญิงนี่เป็นสัตว์ตัวเมียธรรมดาสัตว์ตัวเมียนี่มันไม่สวยเท่าสัตว์ตัวผู้สัตว์ตัวผู้มันสวยกว่าสัตว์ตัวเมียนี่เป็นปมด้อยมาตนานับชาติแล้วตั้งแต่ปางบันแล้วนะแล้วคนหรือมนุษย์เนี่ย มันมันก็เหมือนกับสัตว์โลกทั้งหลายแหละแล้วมันสู้สัตว์ตัวผู้ไม่ได้หรอกถ้าเอาธรรมชาติแข่งกันแล้วสัตว์ตัวผู้มันสวยกว่าเยอะนะสวยกว่าเหมือนสิงโตเหมือนตัวนกหนูอะไรพวกนี้สัตว์ตัวผู้มันสงา่าสวย ง, งา ม, มากกว่าสัตว์ตัวเมียมสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นปมด้อยของสัตว์ตัวเมียเป็นปมด้อยของฝ่ายหญิงผู้หญิงก็เกิดปมด้อยก็พยายามที่จะแก้ปมด้อยของตัวเองมานานับชาติแล้วแต่งจังเลยพยายามที่จะแต่งจะเพาะจะพอก จ, จ, จะปะจะปะอะไรกันแล้วแต่ ก็แก้ปมได้ของตัวเองมานานับชาติเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่คนอีกนั่นแหละมันรู้มันก็เลยบอกไอ้คนผู้หญิงนี่มันหลงมันหลงมันอยากสวยอยากงามเอาเลยบําเรอกิเลสก็หาสิ่งที่จะบําเรอให้แต่งแต่งจนบ้าบ้บอเดี๋ยวนี้อาตมาเห็นแต่งกันแล้วนี่ไอ้แฟชั่นอะไรเดี๋ยดูแล้วแหมมันบ้าดีจริงๆบ้าดีเดือดเลยนะแต่งกันบ้าบ้บอๆกันนะยิ่งไอ้ชุดแฟชั่นที่เขาเสนอที่ว่าไอ ะอะไรละ่ะสถาบันหลักๆสถาบันนำสมัยสถาบันยิ่งใหญ่กันเนี่ยเดินแฟชั่นโชว์แล้วแหมดูแล้วยิ่งบ้าดีนะแฟชั่นแต่ละชุดแต่ละชุดเราออกมาโกรธกันออกมาอท์โอท์กันโชว์กันดูแล้วก็แหมอาตมาว่าออกมาเดินกลางถนนหมาไม่เห่าคงบุญแล้วละ่ะนอหมาคงจะเห่าเอาด้วยอะ่ะแล้วเขาก็นิยมชมชื่นกันว่านั่นแหละคือสิ่งที่สวยที่งามสมมุติกันนะไม่ใช่อะไรดอกสมมติกันแล้วก็ลงไหลาตามกันไปบ่าวบอเนาะ ปากันไปสรุปแล้วง่ายๆก็คือผู้หญิงนี่ถูกหลอกในเรื่องของความสวยเพราะมันเป็นปมด้อยดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จึงสนองทั้ที่มันรู้จักจิตวิทยาก็สนองปมด้อยอันนี้เอาเลยเอาเลยมอมเมาหนักเข้าไปเลยอาตมาจึงถือว่าเรื่องหลงความสวยของผู้หญิงนี้เป็นเรื่องหยาบเรื่องใหญ่เป็นเรื่องอบายยามุกที่เราจะต้องหัดฝึกรดละกันสัก่อนเป็นพื้นฐานเลย เพราะฉะนั้นผู้ใดที่เห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีของเราเข้าใจด้วยเหตุผลเข้าใจด้วยปัญญายาณจริงแล้วแล้วก็มาเลิกมาเลิกละละ้างมาหยุดในเรื่องของอความสวยงามตกแต่งประดับประดาะใดพวกนี้มันเลิกละมาแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นสุขเป็นทุกข์อะไรหรอกก็ได้ใส่สวยแล้วก็เป็นสุขไม่ได้ไม่ได้ใส่สวยแล้วก็เป็นทุกข์หรือบางทีมาแต่งมอสรแล้วก็อู้คนนั้นเขามองมันไม่เหมือนชาวโลกเขาเพราะคนส่วนใหญ่ของเขาว่าแต่ง กันอย่างง้นอย่างงี้นี่นะเขาสมมติกันทั่วไปหมดเลยส่วนใหญ่เขาก็เป็นอย่างนั้นพอเรามาเป็นคนมซอเป็นคนที่ไม่เผ่าผมเผ่าเขาไม่ไปใส่น้ำมุกน้ำมันไม่ไปเซ็ตลงเซ็ตหลอนไม่ไปทำอะไรอะไรปล่อยให้มันอย่างนั้นอ่ะบางทีก็ตัดสรงส้นสั้นให้มันมันก็อยู่ของมันตามรูปของมันธรรมชาติ หน้าตาก็ไม่ไปเอาอะไรมาปรกอมาทาไม่เอาโน้นน่นนี่มาขีดมาเขียนอะไรต่างๆเสื้อผ้านาแพรก็เป็นเสื้อสบายๆง่ายๆหม่มนุ่งหม่มพอกัน ร, ร้อนกันหนาวกาาันแมลงสัตว์กัดต่อยกันอุจาร์อะไรพอสมควรไม่ให้มันมีเชื้อโรคไม่ให้มันสกรปรกอะไรก็พอแล้วไม่ต้องไปตามแ ฟ, ช, แฟชั่นอะไรแล้วแต่ ง, ง่ายๆอย่างนั้นไปเขาก็หาว่าเป็นคนไม่ไม่รู้จักส่วนรวม เขาก็ว่าที่จร no like the ิงจริงของเขาเหมือนกันไม่รู้จากส่วนรวมเพราะส่วนรวมมันมีกิเลสส่วนรวมมันไปหลงไหลได้ปลื้มกับอย่างนั้นมันก็มีเป็นส่วนมากกันอยู่กันทั้งโลกเยอะแยะไปหมดเราก็ไม่เหมือนส่วนรวมเขาแล้วก็จริงของเขาเหมือนกันเราไม่เหมือนส่วนรวมเขาก็มองแต่แต่หัวถึงเท้าอะไรบ้างพวอเราก็ได้พิสูจน์ตัวเราเองว่าเออเราทำความผิดอะไรที่เราไม่ไป็นบาบาบมบมอย่างเขาแล้วเราเราเราแต่งตัวเรียบๆง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องมา ทดสอบใจเราเมื่อเราไม่ได้ทําความผิดเราก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวอะไรเราทําความถูกต้องดีแล้วเราทําอย่างนี้เราไม่เปลืองไม่พรานด้วยไม่ไปยั่วกรามไม่ไปยั่วสวยยั่วงามยั่วอะไรตระไรใครด้วยก็ไม่แปลกนะยิ่งเป็นผู้หญิงนี่ไม่ไปยั่วผู้ชายถ้ายิ่งจะมือถือศีลสูงขึ้นไปยิ่งไม่ต้องเกี่ยวแล้วผู้ชายไม่ต้องมามีเรื่องผู้หญิงผู้ชายกันอีกไม่ต้องมาเรื่องแต่งงงแต่งงานจะต้องมีความร้มความรักอะไรอีกเราก็พยายามทํา ละล่างล่า ง, างออกมาอีกมันก็ ย, ยิ่งดียิ่งสอดคล้องกับความจริงที่โลกเขาต้องการเพราะโลกไม่ต้องการการสมสู่โลกไม่ต้องการการสร้างพลโลกเพราะพลโลกมันจะล้นโลกอยู่แล้วทุกวันนี้มีแต่คุมกําเนิดกันแล้วก็สอดคล้องกับความจริงที่โลกเป็นอยู่ด้วยซ้ำคุมกําเนิดแบบนี้ไม่จะเป็นความผิดคุมกําเนิดโดยการคุมกําหนัดเรามาลดกิเลส ข, ของเราเนี่ยเราไม่ได้มีความผิดอะไระเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็อยู่ส่วนผู้หญิงทํางานกัน ทำงานด้วยกันได้ผู้หญิงก็ทํางานด้วยด้วยกันผู้ชายก็ทํางานด้วยกันมีกิจกรรมกิจการอะไรก็ทำด้วยกันช่วยเหลือเฟื่อฟายกันได้แต่ในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของกิเลสที่มันจะไปผูกพันหรือมันจะไปสปาร์กกันในเรื่องของเขาเรียกธรรมชาติเมือนกันนเซ็กก์เพราะธรรมชาติเป็นความทุกข์ธรรมชาตินี่เป็นความทุกข์มันก็เป็นธรรมชาติจนกว่าเราจะดับธรรมชาติที่มันเป็นเซ็กซ์เป็นกิเลสนั้นนั้นได้ ผู้ชายผู้หญิงมันก็ธรรมดาง่ายๆเมื่อมันไม่มีกิเลสตัวที่จะไปต้องไปธรรมชาติสมสูดับธรรมชาตินั้นได้ก็เป็นความพ้นทุกข์นะธรรมะที่อาตมาสอนอยู่เนี่ยแม้จะพุทธเดียวกันไม่เหมือนกันตรงที่ทัพุทธทาสสอนว่าธรรมะคือธรรมชาติแต่อาตมาในสอนธรรมะคือการดับธรรมชาติธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติเพราะธรรมชาติคือตัวทุกข์ศาสนาพระเจ้าสอนให้ดับทุกข์ ถ้ามันมีชาติมันมีเกิดอยู่กิเลสไอส่วนที่มันจะเกิดธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่มันเป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นเพราะเราดับธรรมชาตินั้นได้แล้วเราก็พ้นทุกสิ่งนั้นได้อย่างแท้จริงนะเพราะงั้นผู้ใดเรียนรู้อย่างชาัดจริงก็มาพิสูจน์พิสูจน์จงกระแทวดับธรรมชาตินั้นได้ดับกิเลสดับอารมณ์นั้นได้ก็สบายพิสูจน์ได้ว่าธรรมชาติจะจะยุ่งเกี่ยวกันผู้หญิงผู้ชายต้องสมต้องสูไม่มีธรรมชาตินี้สบายสบายอย่างไรผู้นั้นจะรู้เองว่ามันมันสบายมันสบายว่างมันไม่ เราจะกินอาหารสังเคราะห์เกิดแคลอรี่ในร่างกายแล้วก็เอาแคลอรี่ไปนึกคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์ดีกว่าไม่ต้องเอามานึกมาคิดในเรื่องทีไม่สอดคล้องกับความจําเป็นหรือเศรษฐกิจหรือเศสฐศาสตร์ของสังคมสังคมทุกวันนี้ไม่ต้องการการผลิตมนุษย์เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสมสู่ผลิตมนุษย์แต่คนไปหลงรถชาติไปหลงว่าสมสู่เป็นรถเป็นชาติก็บอกได้แต่ตนแล้วว่าไอ้รถชาติพวกนั้นเน่ยมันเป็นความสุขหลอกมันเป็นรถหลอกๆมันไม่มีจริงหรอกไม่มีจริงหรอก มันไม่เป็นความสุขจริงหรอกมันหลอกอมันทุกข์สดซ้ำทุกข์สด้ซ้ำถ้าเราไม่สมมติไม่พอใจนะทุกทุกจริงจริงด้วยผู้หญิงถูกข่มขืนนี่มันไม่ได้สุขอะไรเลยนะผู้หญิงที่ถูกข่มขืนก็ไม่พอใจไม่เต็มใจนี่นะทุกมหาศาลเลยนะมันกรรมกิริยาเดียวกันนะกรรมกิริยาเดียวกันนะผู้หญิงถูกข่มขืนนี่ทุก ทุกทุกจะเป็นจะตายแลยยิ่งแหมไม่ชอบใจยิ่งผลักใสเท่าไหร่ยิ่งทุกเท่านั้นสแสดงให้เห็นความจริงว่าพฤติกรรมเดียวกันใจมันไม่เอามันคือทุกข์ถ้าใจมันชอบมันสุขคือความหลอกลวงเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันไม่จริงจะบอกว่าเป็นความสุขก็ไม่จริงถ้ามันเป็นจริงพฤติกรรมเดียวกันเนี่ยจะถูก ข, มข่มคืนมันก็ต้องสุขแต่ถูกข่มขืนผู้หญิงบางคนมีกิเลสรับก็สุขได้เหมือนกัน จิตของผู้หญิงที่เขาไม่ผลักนะมันเปลี่ยนจิตลึกๆบางทีจิตใต้สํานึกมันรับข้างนอกอาจจะผลักนะแต่ข้างในจิตลึกๆมันต้องการมันก็เป็นสุขในในเหมือ น, นกันนะสิ่งอย่างนี้เป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องลึกซึ่งซึ่งต้องศึกษาต่อสภาวะความจริงตรงนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสถ้าไม่มีกิเลสจริงๆหรือแม้มีกิเลสนั่นแหละแต่กิเลสผลักมันไม่สุขหรอกมันทุกข์มันทุกข์กจริงๆนะอาตมาไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ถูกข่มคืนนะแต่ว่าอาตมาว่าอาตมาพูดนี่ถูก พูดไปก็ได้อาตมาเป็นผู้ชายที่ถูกข่มขืนเหมือนกันเพราะอาตมาไม่ได้มีความสุขเลยท่านตั้งแต่เป็นผู้ชายนะไม่ใช่เป็นผู้หญิงนะอาตมาเป็นผู้ชายถูกข่มขืนอาจจะไม่เชื่อเนี่ยอาตมาไม่ได้เล่าโกหกนะไม่ใช่เล่าเรื่องสมมุตินะในชีวิตของอาตมานี่เป็นผู้ชายที่ถูกผู้หญิงข่มขืนนะตลกนะกเป็นเรื่องตลกแต่ว่าเป็นจริงเล่าให้ฟังทุกไม่ได้เป็นสุขเลยไม่ได้เป็นเรื่องที่อย่างที่เราคิดว่ามันจะควรจะเป็นมันไม่ใช่เลย คณะรัฐมาเป็นผู้ชายมันยังเป็นเช่นนั้นคุณคิดดูซิว่าจะเป็นผู้หญิงมันจะเป็นเช่นไรนะมันยิ่งผลักไสมันยิ่งไม่ชอบใจมันยิ่งถือเนื้อถือตัวมากกว่าผู้ชายอีกมันก็ทุกมากกว่าสิเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นสิ่งนี้อัตมาเล่าขึ้นอธิบายขึ้นจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของความหลอกลวงเป็นเรื่องของความสมมุติที่เราไม่รู้สัจความจริงแล้วก็เป็นลงหมุนเวียนหลงไหลได้ปลื้มอะไรอยู่มาพิสูจน์ความจริงดูแล้วเราจะถึงความความจริงกันนั้นเมื่อถึงความจจจรรริิงงนนนนนัั้้แลวมะะเปป็โยช์ๆ ถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะไม่ต้องพูดเรื่องอะไรมากพูดแต่เรื่องของการสมสูรเนี่ยโลกทุกวันนี้พลโลก 5,000 ล้านคนเข้าไปแล้วแล้วมันแย่แล้วมันแย่งชิงกันเพราะว่ามันมีแต่ปลุกเร้ากันคนที่เกิดมามีจํานวนมากแล้วเต็มไปด้วยกิเลสเนี่ยมันจะเกิดกะลียุกันยิ่งมากมันก็ยิ่งจะใกล้กะลียุกเข้าไปทุกทีแหละเพราะมันมีแต่กิเลสแย่งชิงแล้วก็หลงไหลโลภโมโทสันอาคาตมาตร้ายรุนแรงเข็นฆ่ามันเดือดร้อนกันไปหมด ถ้าคนเรานี่ได้เรียนรู้สัจธรรมแล้วก็ไม่มีกิเลสรุนแรงคนมันจะมากกว่าห0าพันล้านคนนี้ก็ได้จะอยู่กันมากกว่านี้ได้หมื่นล้านคนยังได้เลยถ้าคนกิเลสน้อยหรือไม่มีกิเลสได้อยู่ได้ไม่ทะเลาะบ่าอบบอแวงเรามีแต่จะสร้างสรรค์ไม่พลานพลากไม่หลงไหลจะต้องมาบริโภคนิยมมาต้องมาสร้างคมเบงกันจะต้องมากอบโกยแย่งชิงเอารัดเอาเปรียบอะไรกัน ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นน่าจะอยู่อีกหมืนคนก็ได้อีกหมื่นล้านคนก็ได้ในโลกนี้ยังพอมีที่สร้างสรรคธรรมาทำกินมีแต่จะสร้างสรร์ออกมาแล้วไม่หวงไม่แหนเพราะฉะนั้นเรามาพิสูจน์กันอยู่ในปฐมโศกนี้เป็นเมืองที่จนเพราะรายได้น้อยจนกระทั่งถึงไม่มีรายได้เลยอยู่ในที่นี้ที่นี่ไม่สอนให้คนไปที่ได้หารายได้มากๆ ม, มีได้สอนให้คนไปทำงานให้มากๆแล้วเอา สิ่งแรกเปลี่ยนมาแต่พอจะพอจะได้ได้น้อยมาดีเพราะถ้าเราทำงานให้เขามากเอาสิ่งแรกเปลี่ยนมาน้อยเราได้กำไรถ้าเราไปทำงานให้เขาน้อยแล้วเอาสิ่งแรกเปลี่ยนมามากๆเราขาดทุนเราเป็นหนี้เราเอาเปรียบเขามาแต่ถ้าเราไปทำงานให้เขามากๆแล้วเราเอาสิ่งแรกเปลี่ยนกลับคืนมานน้อยนั้นเราได้เสียสลัก เราได้มีคุณค่าให้แก่คนอื่นเขาเราเป็นผู้มีคุณค่าประโยชน์เราเป็นผู้มีประโยชน์นี้เราก็คือผู้กาไรเราเป็นผู้กําไรนะต้องฟังความนี้ให้ชัดถ้าฟังความนี้ไม่ชัดแล้วเราก็เราก็ทำไม่ตรงสัจจะและคนทุกวันนี้มันทำไม่ตรงสัจจะมันไปเอาเปรียบเข้ามาได้ทำงานออกแรงก็ตามมีความสามารถฝีมือก็ตามสร้างออกมาน้อยๆแต่เอาราคามามากๆเอาสิ่งแรกเปลี่ยนกับคืนมามากๆ ก็เร He ียกก็ไปเอาเปรียบเข้ามาเมื่อไปเอาเปรียบเข้ามาคนคนนั้นกลับดีใจกลับหลงดีใจที่ได้เปรียบเข้ามามันเป็นความเลวซ่อนความเลวเห็นไหมเป็นความหลงผิดซ่อนความหลงผิดไปเอาเปรียบเข้ามานะเป็นความเลวแล้วยังมาดีใจที่เราได้ทำเลวนี่เห็นมั้มันความผิดมันความซ้อนถ้าเราไปทำอะไรก็แล้วแต่ทำออกไปออกแรงงานความสามารถแล้วก็สร้างสรรค์ออกไปให้ได้มากมีของคุณค่าดี ให้เข้าไปแล้วเราเอาแลกเปลี่ยนมาน้อยหรือยิ่งไม่เอามาเลยไม่เอาค่าอะไรแลกเปลี่ยนมาเลยทําให้เขาแล้วก็แจกจ่ายเข้าไปฟรีไปเลยเรายิ่งมีบุญเรายิ่งมีคุณค่าเราไม่หมดคุณหมดค่าเพราะเราไม่ได้เอาอะไรแลกเปลี่ยนกลับคืนมาแล้วเราเป็นคนที่ได้เสียสละได้ให้แก่คนอื่นเข้าไปนี่สิหน้าดีใจแต่กลับเสียใจโอ้เราไม่ได้ราคาของเราถูก ค่าของเราน้อยเราไม่ได้สิ่งแรกเปลี่ยนกับคืนมามากเรากับเสียใจเห็นไม่โลงเป็นอย่างนั้นเพราะงคนเราทุกวันนี้นี่มันไม่เข้าใจสัจธรรมมันทําให้ถูกทิศทางของศัจธรรมมันไปหลงผิดเห็นกองจักรเป็นดอกบัวเห็นหัวเป็นเท้าเห็นเท้าเป็นหัวมันตีลังกากลับกันเห็นกําไรเป็นขาดทุนเห็นขาดทุนเป็นกําไรเห็นสิ่งได้เปรียบเป็นสิ่งที่น่าทำเห็นสิ่งเสียสละเป็นสิ่งที่ไม่น่าทำ เห็นไหมเขาเห็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราจะไปเสียสละไปทําอะไรแล้วก็สละแล้วก็เสียแล้วก็ให้แก่เขาไปได้มากๆเราเอามาแต่น้อยหรือไม่เอามาเลยเป็นคุณค่าความดีกลับไม่ทํากลับไม่พยายามฝึกฝนสร้างสรรค์ให้ตนเองเป็นคนเช่นนั้นแต่กลับไปฝึกฝนหาวิธีการเราจะทำยังไงในเราจะได้เปรียบเนี่ยยิ่งมีวิธีการซับซ้อน จะไปเรียนไปศึกษาไปทําอะไรก็แล้วแต่จะได้เอาเปรียบได้โอ้โหเนี่ยถ้าเผื่อว่าเรียนมาอย่างนี้ทำมาอย่างนี้แค่นี้นะนี่ได้สตาร์ทชั้นนี้ได้โอ้หุ่นได้เงินได้ทองได้ราคารายได้เงินเดือนได้แพงได้สูงชอบชอบที่เราได้เปรียบเขามากๆทั้งได้ตัวเองยังไม่มีฝีมืออะไรยังไม่มีคุณค่าอะไรเลยยังไม่สามารถอะไรเลยก็ตามเสร็จแล้วก็จะต้องไปเอาให้ได้มากๆได้มากเป็นชอบทั้งนั้นเห็นความหลงผิดของคนไหม มันก็ได้บาปมาทั้งนั้นเพราะยังคนทุกวันนี้มีบาปกันเต็มไปหมดเพราะความไม่รู้ความจริงอันนี้แล้วก็สแสวงหาแล้วก็พยายามนะมีค่านิยมมีคอนเซปต์อย่างนั้นเลยมีความเชื่อถือมีความเห็นค่าความรู้รวมๆค่ารวมๆของความรู้นี่เห็นอย่างนั้นนะจริงๆแล้วเขาก็ทําอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเลยโลกจึงมีแต่การแย่งกันที่จะเอาเปรียบกันเมื่อมีการแย่งกันที่จะเอาเปรียบกันวิธีการที่จะ เอาเปรียบกันจึงซับซ้อนและมากเหลือเกินในสังคมวิธีการที่จะเอาเปรียบกันนี่มากแล้วก็ไม่ค่อยรู้ทันกันผู้ฉลาดคือผู้ที่สามารถไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราเอาเปรียบเขาได้มากๆนี่คือวิธีการของสังคมจะเป็นการศึกษาเป็นนักวิชาการเป็นนักธุรกิจเป็นนักการอะไรก็แล้วแต่เธออยู่ในโลกสังคมทุ ก, กวันนี้ล้วนแลแต่จะหาความรู้ความสามารถมาไว เพื่อที่จะได้เปรียบคนอื่นทั้งสิ้นนี่คือความเข้าใจผิดที่ทำให้สังคมล่มเหลวแต่ถ้าเผื่อเราเข้าใจถูกต้องว่าถ้าเราจะศึกษาความรู้ความสามารถอะไรมาให้แก่ตนก็ตามถ้าศึกษามาแล้วเราได้ความรู้ความสามารถมาเพื่อจะไปทำงานเสียสละยิ่งเราสามารถมากยิ่งเสียสละได้มากๆแล้วยิ่งอย่าไปเอาอะไรใครเข้ามา เพราะยังไงยังไงความรู้ก็อยู่กับตัวความสามารถก็อยู่กับตัวจะสร้างสรรค์เมื่อไหร่ก็ได้คนอื่นที่เขาไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยได้เออให้เขาไปให้เขาไปสร้างให้เขาไปเพราะเขาทำไม่เป็นเขาทำไม่ได้เขาไม่มีความรู้หรือเขาความรู้น้อยหรือเขาความสามารถน้อยเราก็ต้องช่วยเขาแต่นี่เปล่าเลย มีแต่จะเอาเปรียบเขามีแต่ได้ทาเราเก่งกว่าสามารถกว่าตั้งค่าตั้งราคาของฉันนี่ดีนะเยี่ยมยอดน ะ, ะคนจะซื้อต้องราคาแพงๆถึงจะได้ของฉันไปใช้สังคมเป็นอย่างนี้สังคมจึงจะมีแต่เรื่องของค่าทุนนิยมมันไม่เป็นบุญนิยมไม่เป็นเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมแล้วก็สะสมข่มขีกันเอาเปรียบเอารัดมีเชิงกล ในการที่จะมีวิธีการซับซ้อนสุดท้ายก็สามารถที่จะมีกลไกซับซ้อนมีทั้งเครือข่ายไม่ว่าเครือข่ายวิธีการเครือข่ายของพฤติกรรมและเครือข่ายของบุคคลเป็นเครือข่ายซับซ้อนอยู่แล้วเครือข่ายเชิงกลเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นชั้นเชิงที่จะดูดความได้เปรียบมาให้แก่เจ้าของแล้วก็ นิยมชมชื่นกันว่าเจ้าของผู้ที่มาสร้างเครือข่ายความสามารถนั้นจนกระทั่งวางเป็ น, นกลไกแล้วตัวเองก็ได้เปรียบเขาเนี่ยอยู่ว่างๆก็มีรายได้หมุนเข้ามาให้แก่ตัวเองเดือนละเป็นล้านก็บอกว่าโอ้โหคนนี้วิเศษเก่งแฮ้เมอรเนี่ยสร้างตัวสร้างตนตั้งแต่เป็นกุลี ไม่มีเงินสักบาทจนกระทั่งเป็นมหากระดุมพีอัตมาไม่เรียกเศรษฐีด้วยนะเพราะเศรษฐีแปลว่าความประเสริฐกระดุมพีแปลว่าผู้ร่ำรวยเป็นมหากระดุมพีโอ้โหมีรายได้ตั้งแต่เป็นกุลีจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีรายได้เดือนละเป็นหลายล้านเป็นเดือนหลายล้านนี่แหละคนเก่งทุกคนก็นิยมชมชื่น แล้วจะเอาอย่างตามหาวิธีเอาอย่างตามซูฮกคนเหล่านี้โอ้โหแน่แนคนนี้แน่มากวิเศษมากทุกคนนิยมชมชื่นอย่างนั้นอาตมาไม่จะเป็นทุกคนด้วยหรอกอาตมาไม่ได้อยู่ในกลุ่มของทุกคนนั้นอาตมาเป็นกลุ่มคนที่ไม่นิยมอย่างนั้นอาตมาถือว่าคนอย่างนั้นเป็นคนทําลายสังคมเป็นคนทําลายเศรษฐกิจเป็นคนทําลายประเทศชาติมนุษยชาติทําให้ประเทศชาติเกิดการกระเบียดกรเซียนเกิดการแย่งชิงเป็นตัวอย่างอันเลวทราม เป็นตัวอย่างอะเลสซามของมนุษย์ผู้ใดไปสรรเสริญยกย่องอยู่ผู้นั้นก็คือธาตุคือบริวารของคนเหล่านั้นไปสรรเสริญยกย่องคนที่โอ้โหมีวิธีการได้จะกอบโกยหากลไกสร้างไว้เครือข่ายมีเครือข่ายบริษัทมีเครือข่ายศูนย์ธุรกิจนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ดูดซับซ้อนดูดมาให้แก่ตัวเองให้มากพอเวลาสร้างเครือข่ายนั้นได้มากพออายุสักสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบขึ้นมาก็นั่งสวัสดปาม เพรมแต่ไม่ใช่จินตสู้ลานนลนะคือเพรมตัวเองอะ่ะไปปรื๊มเพรมได้มากอ่าตัวเองก็ได้โอ้ดูดดื่มแล้วก็ดูดออกมาหมดเป็ น, นกลไกที่ทุกคนพยายามจะหาวิธีนี้ถ้าใครเจอวิธีนี้ได้ออ้ชอบใจทุกคนนะยกเว้นอาตมานะจะคุนด้วยคุณก็แล้วแต่คุณถ้าคุณเห็นว่ามันไม่น่าทําก็เรื่องของคุณอีกเหมือนกันอาตมาว่าอาตมาไม่นิยมจึงได้เลิก ล, ลาอย่างนั้นมาแต่ก่อนอาตมาก็ทําอย่างนั้น หาวิธีการเครือข่ายกลไกทําไป ต, ตามโลกเขานิยมนะจะซื้อหุ่นมั่งกว่าซื้อไว้ไม่รู้ละมุมเหลี่ยมวิธีการกลไกอะไรที่มันจะทํานะซื้อหุ่นซื้อนันะ่นลงทุนกับอันนี้ทำเงินนนี้หรือสร้างบริษัทของเรามีกลไกมีเครือข่ายบริษัทเล็ก บ, บริษัทน้อยมีส่วนต่อส่วนย่อยเพื่อที่จะซับซ้อ น, นกลไกที่มันจะได้เปรียบสะสมความได้เปรียบมาตั้งแต่เล็กๆน้อยๆจนกระทั่งรวมยอดแล้ว อ, อ, อภิมหา มหาศาลต้องอภิมหาศาลวิธีการอย่างนี้นะเขาส่งเสริมกันแล้วก็พยายามร่ำเรียนกันศึกษาค้นคว้ากันใครเจอแล้วนึกว่าใครเจอแล้วบอกว่าคนนั้นนะประสบยิ่งก็บ่อขุมทรัพย์มหาศาลแล้วก็นิยมชมชื่นยกจ้องกันว่าคนผู้นี้เราประสบความสําเร็จในชีวิตอัตมากลับมองว่าคนผู้ที่ประสบอย่างนี้แหะคือผู้พบจุดบรรลัยให้แก่ตัวเองชาตินี้เป็นหนี่มหาศาล เป็นหนี้มหาศารเป็นบาปมหาศารแล้วลวงกันซ้อนด้วยให้คนมานิยมเอาด้วยแล้วคนที่เต็มไปด้วยกิเลสโลภโมโทโสันชอบทั้งนั้นนะ่ยแล้วคนในโลกนี้ยังมีความโลภอยู่เยอะจึงนิยมกันเป็นส่วนมากอย่างอาตมาพูดนี่ทวนกระแสะเขาเขาฟังไม่ค่อยรื่นหูหรอกเขาฟังแล้วก็ไม่ชอบไม่ชื่นอะไรหรอกอาตมาจึงเห็นว่าทุกวันนี้เราแก้ปัญหาไม่ได้ตรงที่เขาเป็นนิยมชมชื่นในสิ่งที่เขาหลอกมาอย่างนั้นกันมากมาย ก็พยายามเพื่เปิดเผยความจริงเหล่านี้แล้วก็ให้มาพิสูจน์กันว่าพวกเราเนี่ยคนที่จะเกิดมาเป็นคนเนี่ยถ้าเราจะสามารถเป็นอยู่โดยไม่เป็นโรคโมโทสันแต่เราเห็นความจริงว่าถ้าเราจะมาสร้างสรรค์จะมีฝีม้ายมือมีความสามารถไม่ต้องไปสร้างเครือข่ายที่จะได้เปรียบมาถ้าจะสร้างเครือข่ายเพื่อที่จะให้เสียสละนี่อย่างกระอกระทําอยู่เดี๋ยวนี้ตอนนี้มันเพิ่งเกิดยังไม่ใหญ่ไม่โตอะไรแต่ร้านเครือข่ายเหล่านั้นมีแต่ร้านเครือข่ายที่จะฝึกตนให้ ลดให้ไม่เอาเปรียบให้มีแต่ไปเสียสละไปกระจายประโยชน์คุณค่าให้แก่ประชาชนให้ประชาชนได้รับผลรับประโยชน์คุณค่าเราได้เสียสละไปจะมีเครือข่ายซับซ้อนในยะคล้ายกันนี่แหละแต่เครือข่ายเหล่านี้ยิ่งซับซ้อนมากเท่าใดยิ่งจะไหลเลื่อนเข้าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนกว้างการกระทําก็ต้องประนีตสุขุมประหยัดต่างๆนานาเราขยัน อุตสาหะเสียสละทั้งแรงงานเสียสละทั้งตัวเองฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้กินน้อยใช้น้อยแต่แข็งแรงนะไม่ใช่กินน้อยใช้น้อยแล้วก็มาสม้มร่างกายสรีระเสื่อมทามไม่ใช่แข็งแรงมีสุขภาพร่างกายดีจิตใจดีแล้วก็สร้างสรนเขยันเพียรเราเองเราได้เสียสละหรือเสียเปรียบเรารู้นะว่าเราเสียให้เขาเขาได้เขาได้เปรียบนะเราเองเป็นผู้เสียเราให้เขาได้มากกว่า เราก็ยินดีของเราที่เราได้เสียสละเราก็รู้เขาเองเขาได้เปรียบเขาก็พอใจเราเองเราได้เสียสละก็พอใจมันก็อยู่ด้กันได้มันพอใจด้วยกันทั้งค <im ู่คนหนึ่งพอใจที่จะได้อีกคนหนึ่งพอใจที่จะเสียสละมันก็อยู่ด้กันได้ไม่มีไม่มีไม่ไม่มีสงครามนะมันไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันเพราะมันสอดคล้องความพอใจมันตรงกันคนนึงได้เสียสละพอใจอีกคนนึงได้เปรียบพอใจมันก็ตรงกันแล้ว แต่ต่างคนต่างจะเอาเปรียบนี่โอ้โหต้องได้เปรียบมามันึจะพอใจนี่มันทะเลาะกันมันมองกลับกันนะคนที่มันเหมือนกันมันจะเอาเปรียบด้วยกันทั้งคู่เนี่ยนั่นลหละคือคู่ต่อสู้กันตัวทะเลาะกันนะเหมือนบวกกับบวกเนี่ยเอามาชนกันนี่มันชกกันรบกับรบเนี่ยเอามาชนกันมันชกกันแต่ถ้าเอารบกับบวกไปรวมกันมันจะมันจะไปด้วยกันมันจะสอดคล้องกัน อาตอมาก็ว่าใช้ภาษาคณิตศาสตร์ประกอบนิดหน่อยไม่รู้จะพอไปหรือเปล่าไม่รู้นะก็เอาแล้วก็ฟังฟั ง, ฟงดูก็แล้วกันเนี่ยสัจธรรมมันรู้ยากสัจธรรมมันเข้าใจยากอยู่แต่มันก็มีความจริงของมันในตัวของมันนะพอเราศึกษาธรรมะเราศึกษาความจริงเราจะเห็นแง่ความจริงเราจะอยู่ในโลกนี้ได้สบายและมีประโยชน์คุณค่าต่อมนุษยชาติอย่างแท้จริงเพราะว่าเราเห็นจริงแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นแล้วก็อยู่ได้สบายอย่างปทมสุโขบอกแล้วว่าเป็นเป็นหมู่กลุ่มที่จนแต่เราก็สบาย จนแล้วก็อยู่ได้แล้วไม่ได้สอนให้ใครมาสะสมกอบโกยไม่ไหนเป็นเทเดล่ารายได้มาให้แก่ตัวเองไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยแต่เราก็อยู่เป็นสุขอยู่กันอย่างสามัคคีรวมกันมีอยู่มีกินกันไปไม่อนาถ ร, ร้อนใจเศรษฐกิจข้างนอกเขาจะเดือดร้อนอู้นี่ขาดแคลนแล้วนี่ไอ้นอนจะขึ้นนี่จะขึ้นไอ้นี่นจะขึ้นราคาไนี่นจะขึ้นราคาไอ้นี่จะขาดนี่น จ, ะนนนจะพร่องบริโภคกันเกินไปเพราะว่าเราตัดความบริโภคออกไปตั้งมากตั้งมายแล้วเพราะเราก็ไม่เกิดกระทบ มันไม่เกิดกระเทือนไม่เกิดการกระทบกระเทือนอะไรพเพราะเราก็อยู่แค่แค่นี้จะกินก็กินพออยู่จะใช้ก็ใช้พอไปนุ่งห่มพอไปอยู่พอไปแรงงานเราก็ยังอยู่เราไม่เดือดร้อนเขาเดือดร้อนแล้วเรายังไม่เดือดร้อนอีกนานกว่าเราจะเดือดร้อนเพราะเราลดสิ่งที่โลกเขาหลงบริโภคมาตั้งมากเพราะฉะนั้นกว่ามันจะถึงขั้นที่ว่าเราจะเดือดร้อนนี่นะเราลดมาได้ขั้นนี้นะพวกชาวปฐมโศกนี่หรือชาวโศกนี่ยังอีกนานก็จะกระทบกระเทือนก็จะเดือดร้อนกับเขาอีกนานมาก นี่เราเรามีช่องปลอดภัยนะมีมุมที่ปลอดภัยแล้วอย่างนี้นี่ก็อธิบายฟังเพื่อที่จะให้เห็นมุมเหลี่ยมแล้วก็มาพิสูจน์ความจริงแต่เห็นดีอย่างนี้แต่ถ้าไม่เห็นดีนะจิตใจมันยังไม่ยอมนะมันอยากจะอร่อยแบบโลกโลกอยู่ที่กาวมาันต่ต้นโอ้ยไม่ได้เสื้อผ้าสวยงามไม่ทัดเทียมเขา บานช่องเรือนชานไม่ใหญ่โตทัดเทียมเขารูปไม่สวยเสียงไม่เพราะอะไรไม่เพราะไม่สวยไม่งามไม่มีมากหลากหลายเหมือนอย่างเขาน้อยหน้าน้อยตาถ้าคุณยังมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคุณก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ ค, คุณมีความเห็นอย่า ง, อ ย, า ง, อ, ยางอย่างที่เป็นแบบปกโลกก็อยู่ไม่ได้คุณก็ต้องไปแข่งแย่งกันกับเขาทางน้นเพราะทางนีน้เราหยุดแล้วที่จะไปแก่งไปแย่นกันอย่างนั้น ทีนี่เรามีแต่จะพยายามสร้างสรรค์ให้เป็นระบบเครือข่ายที่มันจะสร้างให้ได้อุดมสมบูรณ์ทุกวันนี้เราก็ยังไม่เก่งยังไม่อุดมสมบูรณ์ข้าวเราสร้างพอกินยังไม่เหลือเฟือกําลังงานยังไม่มากพอแรงงานยังไม่มากพอถ้าต่อไปถ้าแรงงานมากพอปลูกข้าวมีข้าวมากเราก็จะเอาข้าวออกแจกจ่ายหรือจําหน่ายก็ได้จําหน่ายถูกด้วยขอยืนยันดีไมด่ดีจะแจกฟรีได้ซ้ําเพราะว่าของของเรามีจริงแล้วเหลือ เราไม่ได้เสียดายแรงงานเพราะแรงงานเราสร้างสรรมาแล้วเราก็ทําขึ้นไปแล้วเรามีผลผลิตแล้วเราไปให้คนอื่นเรารู้อยู่ว่าเราให้ได้เท่าไหร่ยิ่งให้ฟรีได้เท่าไหร่เรายิ่งกําไรเท่านั้นแล้วเราจะไปเสียดายอะไรล่ะเพราะเราเห็นความจริงอย่างนั้นจริงๆเรายิ่งได้ให้ฟรียิ่งกําไรมากยังไปแลกเข้ามาคืนอยู่เนี่ยข้าวถังหนึ่งนะข้าวถังหนึ่งนี่เราต้องลงทุนเท่านั้นเท่านี้ลงทุนร้อยหนึ่งถ้าจะให้เข้าไป เราเองเราไปมีความเห็นอยู่ว่าเราจะต้องเอาคืนมาบ้างถ้าเราไปเอาคืนมาบ้างเราก็ได้กําไรน้อยข้าวทุนร้อยหนึ่งให้เข้าไปก็ต้องเอาคืนมาบ้างสัก70็ดสิเราก็ได้กําไรแค่30เองแต่ถ้าข้าวนี่ทุนมันร้อยหนึ่งให้เข้าไปเอาคืนมาแค่30ก็แล้วกันเราก็ได้กำไรตั้งเจแต่ถ้าบอกว่าข้าวนี่ทุนมันร้อยหนึ่งเอาเป็นเลยเอาเป็นเลย เราไม่ต้องเอาคืนมาสักบาทกําไรร้อยเต็มเลยกําไรตั้งร้อยเราจะอยู่ได้ไหมล่ะถ้าเพราะว่าเราเองก็ผลิตข้าวพอกินเหลือกินดีไม่ดีมันเหลือทิ้งไม่รู้จะไปเก็บกองที่ไหนได้ซ้ําเอาเป็นเลยเอาเป็นเลยแรงงานของเราก็อยู่ในนั้นนั่นแหละเอาเป็นเลยให้เป็นเลยมีบุญมีบุญคุณแต่อย่าไปจําบุญคุณบอกแล้วมีบุญคุณนี่เราเป็นบุญคุณของมนุษย์มนุษย์จะมีบุญคุณแก่โลกอย่างนี้นิยกตัวอย่างง่ายงายเพราะสิ่งจําเป็นอะไรที่จะเราเราจะสร้างอีก เราจะทอผ้าจะทําหัตกรรมสร้างเครื่องนั้นเครื่องนี้สร้างอนุนันนี้ที่จะเป็นประโยชน์คุณค่าแม้แต่จะสร้างธรรมะจะทําหนังสือหนังหาเอาไปแจกจ่ายเจือจานกันให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์คุณค่าจากหนังสือหนังหานั้นบ้างหรือจะสร้างอะไรที่เราเห็นว่าสมควรมันจําเป็นมันถึงครั้งถึงคราวที่จะสร้างสรรค์ขึ้นไปให้แก่กันและกันได้เราก็สร้างขึ้นมาแล้วก็แจกจ่ายเจือจานกันออกไปชีวิตของเราพึ่งตนได้อัตหิอัตโนนาโถ เรามีชีวิตอยู่มีพลังงานสร้างสรรค์มีพออยู่พอกินเราไม่ต้องไปเบียดเบียนใครการทรงชีวิตของเรานั้นยังชีพได้โดยปจัจจัย4ีบริขารสิ่งประกอบพ่อเพียงเหลื้อแหลชีวิตแต่ละคนแต่ละคนนี่คุ้มทุนคุ้มทุนคุ้มทุน หลายคนรวมกันยิ่งมีแรงงานเหลือแล้วแรงงานนั้นไปสร้างสรงสรค์สิ่งอะไรอะไรขึ้นมามันก็เหลือเพราะเรามักน้อยสันโดษเพราะเรากินน้อยใช้น้อยแต่แรงงานของเรามากสมรรถภาพของเราสูงขึ้นเราก็สร้างอะไรอะไรได้มากเมื่อมากมันก็จะเหลืออุดมสมบูรณ์นี่เป็นเศรษฐศาสตร์บุญนิยมนะเมื่ออุดมสมบูรณ์เรากักเก็บไว้เราก็รู้หลักเศรษฐศาสตร์ดีอยู่แล้วว่ามันสูญเสียเปล่าๆตามกาลเวลามันก็สูญเสียแล้ว ไม่เกิดคุณค่าอะไรดีไม่ดีก็เสื่อมสลายเน่าเหม็นเน่าเปื่อยผุพังด้วยซ้ําเพราะเราสร้างขึ้นมาแล้วอันนี้เราก็ใช้แบ่งกินแบ่งใช้เหลือแล้วเราก็ออกแจกจ่าแก่ผู้อื่นไปพเพราะสังคมของเราจะมีแนวไปอย่างนี้ทิศทางไปอย่างนี้สังคมข้งหมู่กลุ่มพวกเราเห็นความจริงอย่างนี้เราก็มาตั้งหน้าตั้งตาสร้างสรรคทําอย่างนี้ไปชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่พอชีวิตที่สันโดษชีวิตที่เป็นสุขชีวิตที่ไม่รวย พอมีเท่าไหรเราก็แจกไปมีเท่าไรก็แจกไปก็ไม่เรียกร้องโจรไม่เรียกร้องโจรมาปล้นเพราะเราไม่มีอะไรให้โจรมันปล้นเราไม่สะสมกอบโกยไม่เป็นหลวงเพชรนินจินดาเสือธรรมากับบรรยายมามากแล้วเพชรนี่มาสู้ก้อนเกลือก็ยังไม่ได้เลยเวลาแกงมันไม่เค็มเอเพชรไปใสยมันก็ไม่เห็นมันกะเค็มอะไรเคยมาให้มันปวดท้องปวดหัวอะไรจะเอาเพชรมากินแทนจ่ามันก็ไม่เห็นมันหายปวดหัวปวดท้องอะไรเลยแต่ถ้ามามีเอาไว้ได้ให้ ลอยโจรโจรปลน้นมีเกลือโจรมันยังไม่เคยปนย้นนก้อนเกลือกับก้อนเพชรก้อนเท่ากันก็มีก้อนเกลือสบายกว่าแยะโจรไม่ปลน้นแต่ถ้ามีก้อนเพชรแล้วมีความทุกข์เป็นมหาศาลนะแม้ว่าเราจะไม่มีเพชรเลยตลอดชีวิตนี้ทั้งชีวิตมันก็ไม่ตายแต่ถ้าเราไม่มีเกลือเลยตลอดทั้งชีวิตตายอย่างนี้เป็นต้น เรารู้ความสําคัญในความสําคัญเรารู้สิ่งที่จําเป็นในชีวิตสิ่งที่ดีในชีวิตอย่างถูกสัจธรรมอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนี่แหละยกตัวอย่างเกลือกับเพชรนี่เรารู้ว่าเกลือมีค่ากว่าเพชรเยอะแยะเราก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปสะสมเพชรแต่เราอาจจะมีเกลือมาใช้บอกแล้วว่าเรื่องสะสมนั้นเราจะไม่สะสมอะไรจนเกินขอบเขตเราจะมีพอใช้พอซอยหมุนเวียนแล้วก็แจกจ่ายเจอจานแบกแจกออกไปเราสามารถสรั่งเกลือเราสามารถสั่งข่าวเราสามารถสร้างผักเราสามารถสร้างเสือผ่า เราสามารถเสื่องสร้างสิ่งที่มาใช้แม้แต่เครื่องทุนแรงแม้แต่จะเป็นเครื่องเทคโนโลยีอะไรถ้าสามารถสร้างที่จําเป็นจะสร้างเราก็จะสร้างขึ้นมาใช้พอสมเหมาะสมควรแต่ถ้าสังคมหรือว่าวดวงที่เราเป็นอยู่นั้นมันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปมีความรู้ในทางเทคนิคมากๆเพื่อที่จะมาทุนแรงเพื่อที่จะมาผลิตอะไรแต่ไรให้มันได้เร็วได้ไวได้มากแล้วก็เอาไปแจกจ่ายกันให้มันถวดถึงกันเร็วเกินไป เมื่อเราพอเราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนที่จะต้องหาเทคนิคหรือจะต้องเป็นสังคมอุตสาหกรรมระดับนิกส์อะไรก็ไม่จําเป็นเพราะว่าเราพอแล้วเมื่อเราไม่ไปเป็นอุตสาหกรรมใหญ่อย่างนั้นวัตถุดิบที่เราจะต้องโกยมาให้แก่อุตสาหกรรมที่มันจะมาผลิตรังสรรค์อะไรต่อไปอีกนี่มันก็ไม่เป็นดูดเอาวัตถุดิบอะไรของโลกมาม า, มากมายธรรมชาติมันก็ไม่พร่องธรรมชาติมันก็ไม่ถูกทําลายมากเกินไป เราต้องไปสแสวงหาเราไม่ต้องไปล่าเราไม่ต้องไปแย่งไปชิงแต่เรามีความพอมีสันโดษเราจึงเป็นสุขอยู่และเราก็ไม่ได้เป็นคนงอมืองอเท้าเป็นคนสร้างสรรค์ช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เราจึงเป็นคนมีบุญไม่ใช่คนมีบาปเพราะฉะนั้นสวนรรค์ก็เป็นอันหวังได้แน่นอนยิ่งสามารถปฏิบัติตนจนกระทั่งถึงลดกิเลสหมดเป็นนิพพานได้ก็ยิ่งเป็นบุญมหาศาลที่เราจะเป็นคนที่มีคุณค่าประโยชน์อยู่ในสังคมและคุณก็ตัดสินตัวเอง ว่าตัวเองจะตายศูนย์หรือจะตายเกิดมาเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อช่วยโลกนี้อีกต่อไปคุณมีสิทธิ์ที่จะตายเกิดหรือตายศูนย์นะเราเป็นคนสั่งการตัวเองเราเป็นคนพิพากษาเป็นคนตัดสินเป็นคนกำหนดตัวเราเองว่าเราจะตายหรือเราจะเป็นเราจะเกิดหรือเราจะดับเราจะต่อหรือเราจะสุดสิ้นนะนี่คือศาสนาพุทธ ผู้ค้นพ บ, พบปรมศาสดาของพุทธได้นค้นพบสิ่งอย่างนี้ก็ยินดีจะให้พิสูจน์อะดังนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่เหนือจึงเรียกว่าโลกุตระบุคคลอยู่เหนือโลกอยู่เหนืออำนาจใดๆสามารถที่จะบงการสวรรค์นรกและเกิดหรือตายมีหรือไม่มีเป็นที่สุดได้เพราะฉะนั้นอยากจะไม่มีเลยศูนย์เลิกกันไม่มีอะไรสืบต่ออีกเราหมดเราตัวเราหมดตัวเราก็ทําได้มือถึงที่สุดของมัน หรือว่าเราจะต่อเราก็สามารถต่อได้นะนี่ก็คือทฤษฎีของศาสนาพุทธเอาละหมดเวลาลงแล้วก็ขอจบการแสดงทรรมลงแต่เพียงเท่านี้